พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่เก้าสุดตันตาปิฎกศีลขันธวัชโรมชาลสูตรสูตรว่าด้วยข่ายอันประเสริฐพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่เดินทางอยู่ระหว่างกรุงราชครืกับเมืองนาลันทามีป ร, ริภาชก ค, คือนักบวชนอกศาสนาชื่อสุ ป, ปิยะพร้อมด้วยศิษย์ ชื่อโภมทัตมานพเดินทางมาข้างหลังสุปิยาบริภาชกติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่สิทธ์กล่าวสรรเสริญเมื่อถึงเวลากลางคืนภิกษุทั้งหลายได้สนทนากันถึงเรื่องสิทธิ์อาจารย์กล่าวแย้งกันเรื่องสรรเสริญติเตียนพระรัตนตรยัยพระผู้มีพระภาคทรงทราบจึงตรัสเตือนไม่ให้โกรธ เมื่อมีผู้ติเตียนพระรัตนไต ร, ไ, รไม่ให้ยินดีหรือเหลิงเมื่อมีผู้สัรเสริญแล้วตรัสว่าคนอาจกล่าวชมเชยพระองค์ด้วยศีลสามชั้นจุลศีลศีลอย่างเล็กน้อยหนึ่งเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติล่วงปรมจันส์ 2. เว้นจากพูดปดพูดส่อเสียดยุให้แตกกัน พูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อร์ 3. เว้นจากทำลายพืชและต้นไม้ 4. ฉันมื้อเดียวเว้นจากการฉันอาหารในเวลากลางคืนเว้นการฉันในเวลาวิการเว้นจากป้อนรำขับร้องประโคมและดูการเล่นเว้นจากทัดทรงประดับประดาร่างกายด้วยระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมผัดผิวต่างๆ เว้นจากที่นอนที่นั่งอันสูงใหญ่มีภายในใส่นุ่นหรือสำลีเว้นจากการรับทองและเงิน 5. เว้นจากการรับข้าเปลือกดิบเนื้อดิบเว้นจากการรับหญิงหรือหญิงรุ่นสาวเว้นจากการรับทาสีทาสาคือทาสหญิงทาสชายเว้นจากการรับแพะแกะไก่สุกร ช้างโคมา้าลาเว้นจากการรับนาสวนหกเว้นจากการชักสื่อคือเป็นพ่อสื่อการค้าขายการโกงด้วยตาช่างด้วยสมฤทธิ์หรือเงินเหรียญและด้วยการนับช่างตวงวัดเว้นจากการใช้วิธีโกงด้วยให้สินบนหลอกลวงและปลอมแปลงเว้นจากการตัดมือเท้าการฆ่าการมัด การซุ่มชิงทรัพย์การปล้นการจู่โจมทำร้ายมัชิมะศีลศีลอย่างกลาง 1. เว้นจากการทำลายพืช 2. เว้นจากการสะสมอาหารและผ้าเป็นต้น 3. เว้นจากการดูการเล่นหลายชนิดเช่นฟ้อนรำเป็นต้นสี่ เว้นจากการเล่นการพนันต่างชนิด 5. เว้นจากที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ 6. เว้นจากการประดับประดาตกแต่งร่างกาย 7. เว้นจากติรชานกถาคือพูดเรื่องไร้ประโยชน์หรือที่ขัดกับสมณะเพศ 8. เว้นจากการพูดแข่งดีหรือข่มขู่กัน 9. เว้นจากชักสือ่อ 10. เว้นจากการพูดปดการพูดประจบการพูดอ้อมค้อมเพื่อหวังลาบการพูดปดการพูดเอาลาบแลกลาบคือหวังของมากด้วยของน้อยมหาศีลศีลอย่างใหญ่ 1. เว้นจากดํารงชีพด้วยมิจฉาชีพด้วยติรฉานวิชาเช่นไทยนิมิต ถ่ายฝันถ่ายหนูกัดผ้าเป็นต้น2เว้นจากดำรงชีวิตด้วยมิจฉาชีพด้วยติรชานวิชาเช่นดูลักษณะแก้วมณีลักษณะไม้เท้าลักษณะผ้าลักษณะสตราเป็นต้น3เว้นจากดำรงชีวิตด้วยมิจฉาชีพด้วยติรชานวิชาเช่น ไายทัก์เกี่ยวกับพระราชาด้วยพิจารณาดาวฤกษ์ 4. เว้นจากดํารงชีวิตด้วยมิจฉาชีพด้วยติรชานวิชาเช่นไายจันทรุปราคาสุริยุปราคาเป็นต้น 5. เว้นจากดํารงชีวิตด้วยมิจฉาชีพด้วยติรชานวิชาเช่นไายฝนชุกฝนแล้งเป็นต้น 6. เว้นจากดำรงชีวิตด้วยมิจฉาชีพด้วยติรชานวิชาการบนการแก้บนการประกอบยาเป็นต้นในที่นี้มีคำว่าติรชานวิชาอย่างพิสดารเมื่อพิจารณาตามสับติรฉานซึ่งแปลว่าไปขวางก็หมายความว่าวิชาเหล่านี้ขวางหรือไม่เข้ากับความเป็นสมณะ ไม่ได้หมายความว่าเป็นวิชาของสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นถ้อยคำที่พระไม่ควรพูดจึงจัดเป็นติรัจฉานกถาคือถ้อยคำที่ขวางหรือขัดกับสมณะสารูปวิชาที่พระไม่ควรเกี่ยวจึงจัดเป็นติรัจฉานวิชาคือวิชาที่ขวางหรือขัดกับความเป็นพระส่วนสัตว์เดรัจฉานที่มีชื่ออย่างนั้น เพราะเพ่งกิริยาที่ไม่ได้ตั้งตัวตรงเดินไปอย่างคนแต่เอาตัวลงเอาศีรษะไปก่อนเมื่อไม่ได้ไปตรงก็ชื่อว่าไปขวางทิฐิ62ประการครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงถึงความคิดเห็น62ประการของสมณพราหมณ์ในครั้งนั้น คือพวกที่มีความเห็นปรารภเบื้องต้นของสิ่งต่างๆว่าเป็นมาอย่างไรหรือปุพพันตะกัปิกะ18ปประเภทกับพวกที่มีความเห็นปรารภเบื้องปลายของสิ่งต่างๆว่าจะลงสุดท้ายอย่างไรคืออปรันตะกับปิกะ44ประเภทรวมเป็น62ดังต่อไปนี้ความเห็นปรารภเบื้องต้นสิบป ทิฏฐิหรือความเห็นประเภทนี้คือปุพพันตะกับปิกะที่มีสิปดนั้นแบ่งออกเป็นห้าหมวดคือหมวดที่เห็นว่าเที่ยงหรือสัตสตาวาทะสีเห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงคือเอกจจสัตสติกะและเอกัจจะอสัตสติกะสเห็นว่ามีที่สุดและไม่มีที่สุดคืออันตานันติกะสี พูดสัตสายไม่ตายตัวเหมือนปลาไหลคืออมราวิเคปิกะสี่เห็นว่าสิ่งต่างๆมีขึ้นเองโดยไม่มีเหตุคืออาทิตย์จัสมุปปนะสองรวมเป็น18ปดังรายละเอียดคือสัตสตาวาทะสี่หมวดเห็นว่าเที่ยง 1. เห็นว่าอัตตาหรือตัวตนและโลกเที่ยง เพราะระลึกชาติได้ตั้งแต่ชาติเดียวจนถึงแสนชาติ 2. เห็นว่าตัวตนและโลกเที่ยงเพราะระลึกชาติได้เป็นกับกับตั้งแต่กับเดียวถึง10บกับ 3. เห็นว่าตัวตนและโลกเที่ยงเพราะระลึกชาติได้มากกับตั้งแต่10บกับถึง40่สกับ 4. นักเดาเดาตามความคิดค่ายคะเนว่าโลกเที่ยง เอกจะอาศัตสติกะสีหมวดเห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง 1. เห็นว่าพระพรหมเที่ยงแต่พวกเราที่พระพรหมสร้างไม่เที่ยง 2. เห็นว่าเทวดาพวกอื่นเที่ยงพวกที่มีโทษเพราะเล่นสนุกสนานไม่เที่ยง 3. าเห็นว่าเทวดาพวกอื่นเที่ยงพวกที่มีโทษ เราะคิดร้ายผู้อื่นไม่เที่ยงสี 4. นักเดาเดาตามความคิดคาดคะเนว่าตัวตนฝ่ายกายไม่เที่ยงตัวตนฝ่ายจิตเที่ยงอันตานันติกะสี่หมวดเห็นว่ามีที่สุดและไม่มีที่สุดหนึ่งเห็นว่าโลกมีที่สุดสองเห็นว่าโลกไม่มีที่สุด ส <3. S 2> เห็นว่าโลกมีที่สุดเฉพาะด้านบนกับด้านล่างส่วนด้านกว้างหรือด้านขวางไม่มีที่สุดสนักเดาเดาตามความคิดคาดคะเนว่าโลกมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่อมาราวิเคปิกะสี่หมวดพูดสั้สายไม่ตายตัวแบบปลาไหลหนึ่ง เกรงว่าจะพูดบดจึงพูดปฏิเสธว่าอย่างนี้ก like so. ็ไม่ใช <Goodbye>. ่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ 2. อเกรงว่าจะยึดถือจึงพูดปฏิเสธแบบข้อหนึ่งสาเกรงว่าจะถูกซักถามจึงพูดปฏิเสธแบบข้อหนึ่งสเพราะโง่เขลาจึงพูดปฏิเสธแบบข้อหนึ่งและไม่ยอมรับ หรือยืนยันอะไรเลยอาทิจะสมุปปันนะสองหมวดเห็นว่าสิ่งต่างๆมีขึ้นเองไม่มีเหตุหนึ่งเห็นว่าสิ่งต่างๆมีขึ้นเองโดยไม่มีเหตุเพราะเคยเกิดเป็นอสัญญีสัตว์สองนักเดา เดาเอาตามความคิดคาดคะเนว่าสิ่งต่างๆมีขึ้นเองโดยไม่มีเหตุความเห็นปรารภเบื้องปลาย44ทิฏฐิหรือความเห็นปรารภเบื้องกลายคืออปปรันตกัปิกะที่มี44นั้นแบ่งออกเป็นห้าหมวดหมวดที่เห็นว่ามีสัญญาความจำได้หมายรู้ หรือสัญญีวาทะสิหมวดที่เห็นว่าไม่มีสัญญาคืออสัญญีวาทะแหมวดที่เห็นว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่คือเนวะสัญญีนาสัญญีวาทะแหมวดที่เห็นว่าขาดศูนคืออุเฉทวาทะเจหมวดที่เห็นว่าสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบัน คือทิฏ ธ, ธรรมนิพพานวาธะห้ารวมเป็น44ดังรายละเอียดคือสัญญีวาทะ16หมวดเห็นว่ามีสัญญา 1. ตนมีรูป 2. ตนไม่มีรูป 3. ตนทั้งมีรูปทั้งไม่มีรูป 4. ตนมีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ 5. ้าตนมีที่สุด 6. ตนไม่มีที่สุด 7. ตนทั้งมีที่สุดทั้งไม่มีที่สุด 8. ตนมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ 9. ตนมีสัญญาคือความจำได้หมายรู้เป็นอันเดียวกัน 10. ตนมีสัญญาต่างกัน 11. ตนมีสัญญาเล็กน้อย 12. สอง ตนมีสัญญาหาประมาณไม่ได้ 13. ตนมีสุขโดยส่วนเดียว 14. ตนมีทุกขโดยส่วนเดียว 15. ตนมีทั้งสุขทั้งทุกขิบตนไม่มีทุกขไม่มีสุขตนทั้ง16ประเภทนี้ตายไปแล้วก็มีสัญญาคือความจําได้หมายรู้ทั้งสิ้น สัญญีวาทะแปดหมวดเห็นว่าไม่มีสัญญาเห็นว่าตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อ8ข้างต้นคือตนมีรูปจนถึงตนมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ทั้ง8ปดประเภทนี้ตายไปแล้วก็ไม่มีสัญญาคือไม่มีความจำได้หมายรู้เนวัสัญญานาสัญญีวาทะแปด หมวดเห็นว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เห็นว่าตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงปดข้างต้นคือตนมีรูปจนถึงตนมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ทั้ง8ปดประเภทนี้ตายไปแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ทั้งสามหมวดนี้รวมเรียกว่าอุทธมาคตะนิกาแปลว่า พวกที่มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพเมื่อตายไปแล้วจะเป็นอย่างไรอุเฉทวาทะเจตหมวดเห็นว่าขาดศูนย์ 1. ตนที่เป็นของมนุษย์และสัตว์ 2. ตนที่เป็นของทิพย์มีรูปกินอาหารหยาบ 3. ตนที่เป็นของทิพย์มีรูปสำเร็จจากไปสี่ ตนที่เป็นอากาสานัญจาตนะ 5. ตนที่เป็นวิญญาณัญจาตนะ6ตนที่เป็นอากินจัญญายตนะ7ตนที่เป็นเนวสัญญาณาสัญญายตนะทั้ง7ดประเภทนี้เมื่อสิ้นชีพแล้วก็ขาดศูนย์ไม่เกิดอีกทิฏฐธรรมนิพานห้า หมวดเห็นสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบัน 1. เห็นว่าการเพียรพร้อมด้วยกรังคุณหเป็นนิพพานอย่างยอดในปัจจุบันข้อ2ถึงข้อหเห็นว่าการเพียรพร้อมด้วยฌานที่1ถึงสเป็นนิพพานอย่างยอดในปัจจุบันสรุปในที่สุดได้ตรัสสรุปว่าสมณะพรามทุกพวก ที่มีทิฏฐิความเห็นต่างๆรวม62ประการเหล่านี้ย่อมได้สวยอารมณ์เพราะอาศัยอายตนะสาหรับถูกต้อง6อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเหตุที่สวยอารมณ์จึงเกิดตัณหาความทยานอยากเพราะเหตุที่มีความทยานอยากจึงมีความยึดมั่นถือมั่นเพราะเหตุที่มีความยึดมั่นถือมั่นจึงมีพบ คือความมีความเป็นเพราะเหตุที่มีพบคือความมีความเป็นจึงมีชาติคือความเกิดเพราะเหตุที่มีความเกิดจึงมีความแก่ความตายความเศร้าโศกคร่ำครวญความไม่สบายกายไม่สบายใจและความคับแค้นใจสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมติดอยู่ในข่ายแห่งความเห็นทั้ง62นี้เหมือนปลาติดข่ายฉะนั้น ส่วนตถาคตเป็นผู้ถอนตัณหาอันจะนำให้เวียนอยู่ในภพได้แล้วกายยังดำรงอยู่ตราบใดก็มีผู้แลายเห็นเมื่อกายทำลายไปแล้วก็ไม่มีผู้แลเห็น